รู้สึกยังไรบ้างเวลาเราแผ่เมตตาให้กับคนที่เราไม่ชอบหรือว่าเคยเคยมีเรื่องราวขนันในใจรู้สึกยันไงให้แผ่เองคุ คงตะทิดตะขววใจอะค่ะแต่วันนี้นี่แผลเป็นหมูคนะพระอาจารย์ให้ทํำอะไรก็ทำเห็นด้วยค่ะผมผมตอนแรกคือพระอาจารย์สั่งให้ทํำสั่งให้ลองทําเพราะว่าเราเป็นคนที่โกรธก็เลยบอกให้ลองแผลก็ลองทําก่อนนอนตอนแรกก็จะแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่หลังทําไปเรื่อยๆมันก็มันก็ชินมันก็ความโกรธมันค่อยๆความไม่ชอบมันค่อยๆลดอะค่ะมันก็มันก็เวิร์ แต่ตว่าทำทุกคืนเลยมีหลายกดวะเขกว่าเป็น ล, ลิสต์อุ้ยตายมีแค่นั้นเลยครับกำลังกังวนอยู่อจริงจริงนะเป็นการปรับตัวเองใช่มั้ยครับใช่ที่ที่เราแห็นได้ก็คือใช่ใช่ไหมคือการรู้สึกที่เรามีแต่เขามันก็จะก็จะดีขึ้น น่าจะเหมือนยาต้านอนุมูลอิสระมั้งคะเา้ารย์เป็นในร่างกายปกบขึ้นมันนะมันยากที่จะเมตตาคนที่เราไม่ใช่ใช่ไหมก็แผลอ่อนมาเจอหน้าก็ขำนะรู้สึกไหมตอน ตอนพอบอกให้แล้วบางทีมันจะมีคนบางคนพูดขึ้นมาทันทีเลยนะแต่บางคนก็อาจจะอาจจะคิดหรือว่าค้นคว้าสักนิดหน่อยก็มีมใช่ไหมคอยจะเอ๊ใครดีหรือบางคนอาจจะรู้สึกหลายคนนะวันนี้จะแพ้ให้ใครก่อนแต่ก็อาจจะมาว่า มันก็เป็นในภาพการปฏิบัติมันก็ก็น่าสนใจเพราะว่าบางทีเราทําไปแบบเหมือนเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆพิธีกรรมเนาะบางทีเราแผ่เมตตาเราอุทิศส่วนบุญส่วนตนเราก็ทําไปแบบตามที่เขาทํากันนะแล้วก็กล่าวความแผ่เมตตาออกไปโดยที่เรากล่าวคล่องในใจนะแล้วก็แผ่ไปแต่บางที แต่พอให้มีการเมตตาจริงๆนะโดยเฉพาะกับคนที่เรามีเรื่องหรือว่าเราไม่ชอบเนะี่ยมันมันทํายากแต่ถ้าให้เราเมตตากับเพื่อนรักของเรากับคนในครอบครัวที่เรารักเราทําได้ง่ายใช่ไหมฮะไม่ต้องแผ่ก็ได้ฉนันยินดีที่จะทําให้ทันทีเลยแต่กับคนที่ที่เราไม่ชอบจริงๆเนะี่ยเราไม่ค่อยได้คิดถึงใช่ไหมเราไม่ เราไม่มีเมตตากับเขาจริงๆนะก็จะมีหลายคนนะหลายคนที่ก็ก็สารภาพบางทีให้เราทำดีกับกับใครก็ได้นะอย่าเว้นกับคนคนนี้หนึ่งคนนะบางทีคนคนนี้มันเป็นคนใกล้ตัวเราเนาะนะอาจจะเป็นเพื่อนบ้านอาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานหรือบางทีอาจจะเป็นพี่น้องก็ได้ ทีอาจะจะเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้บางทีนะสําหรับบางคนที่มีมีปมในใจนะมันก็มันจะทําได้ยากแต่มาว่าก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะลองฝึกกันดูเพราะว่าถ้าเราแผ่เมตตาเพียงแค่แค่ปากว่าแต่ถ้าใจเราเราจะแผ่เมตตาแบบนี้บ้างหรว่าจิตใจเราจะอ่อนโยนลงแล้วก็แม้แม้ไ ป, ไปเผชิญหน้าอีกครั้งความโกรธหรือว่าความไม่พอใจความทุกข์ใจ มันก็ยังมีอยู่แต่มาว่ามันมันก็น่าจะลดลงบ้างมันก็น่าจะลดลงบ้างแล้วถ้าเราทําทํำบ่อยๆนะไอ้มาว่าจิตที่ตอ น, น, นแรกมาจะรู้สึกตะกิดตะคว้างหรือว่าทําได้ยากต่อไปมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นแล้วก็จิตใจเราก็อ่อนอ่อนโยนลงไอ้มาว่าเมื่อจิตใจเราอ่อนโยนลงคนที่คนที่เรารู้สึกไม่ดีด้วย พอเราเผชิญหน้ากันเอามาว่าเขาก็จะน่าจะน่าจะรู้สึกดีขึ้นนะจากความเขาน่าจะรับรู้ได้ว่ า, าจิตของเรามีเมตากับเขามากขึ้นนะเราก็จะส่งผลตัวเราเองแล้วก็ส่งผลให้กับคนที่เรามีประเด็นในใจด้วยนี่คือเอามาว่ามาเป็นภาคการปฏิบัติมันก็เป็นสิ่ที่น่าทําแม้แม้แรกแรกมันอาจจะดูเหมือนเหมือนแกล้งทําหรือว่าเป็นเพียงแค่ นะเราทําโดยยังไม่ได้เต็มใจนะักแต่ถ้าเราฝึกไปบ่อยนะมันมันจะคล้ายๆมันจะมีความเต็มใจมีความเรียกว่าทําได้ง่ายขึ้นเนาะนะแล้วต่อไปถ้ามีประเด็นของคนอื่นหรือว่ามีเรื่องอื่นอีกขึ้นมาว่ามันก็จะใช้วิธีการเนี้ได้หมดนะเพราะว่าการมีเมตตา ม, มันก็เป็นเป็นคุณธรรมอย่างหนึง่งในจิตที่เราเพิ่งจะมีนะ แต่ก็ไม่ใช่บอกว่าออคนที่ยังไม่มีตอนนี้ถือว่าไม่ดีนะถ้าเร า, เราก็สามารถที่จะฝึกได้นะที่จริงเราก็มีเมตตากับคนอื่นที่เรารักอยู่หรอกใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าบางคนที่เรารักเราคนที่เราไม่รักเราทำได้ยากนะแต่บางทีถ้าเราเห็นจริงๆบางทีประเด็นความโกรธความไม่พอใจบางทีคนคนนั้นก็ไม่รู้เรื่องที่ทาไป ใช่ไนะบางทีเขาไม่รู้เลยามว่าเราโกรธเขาบางทีเขาเขาหายโกรธเราแล้วแห ล, แลนะอาจจะมีเรื่องอะไรกันเขาหายละแต่เรานี่แหละนี่แหละที่ยังไม่หายการแฝ่ไม่ตาไปก็จะเป็นการเยียวยาจิตใจของเราเนี่แหละให้เราหายจากความโกรธให้เราหายจากความทุกข์เพราะว่าบางทีคนที่มีประเด็นเขาเขาลืมไปแล้วเ ข, เขาเขาอาหัวเสกกรรมกับเราแล้วแต่เรานี่แหละที่อาหสกกรรมในใจเราเองไม่ได้ การทำเช่นนี้จะเป็นการเรียกว่าเยียวยาตัวเองให้ใหพ้นจากความทุกข์นะใ ห, ให้เราเรียกว่าออกจากเรื่องราวที่ติดค้างคางใจเรนี้ไปได้แม้แม้คนคนนั้นบางทีก็อาจจะยังมีประเด็นอยู่แต่แต่พอเราจิตใจเราเย็นใช่ไหมมาว่าเราไม่ไปต่อเลาะต่อเสียไม่อะไรละมาว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะถ้าเขาเรียนรู้นะความเมตตาจาก จากตัวเราด้วยอันมาว่าเดี๋ยวเขาก็คงเลิกติดติดค้างคาใจอะไรกันอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเวนยอมดับ ง, งับด้วยการไม่จองเวนสิ่งที่พระเจ้าท่านตัดไว้นะเวนยอมรับ ง, งับด้วยการไม่จองเวนอันนั้นมันจะจ บ, จบเวนจบกรรมได้มันก็ต้องหยุดหยุดการทํากรรมซึ่ง ก, นกันและกันถ้าเราไม่หยุดซึ่งการทํากรรมซึ่ง ก, นกนะันและกันนั้นมันก็จะเรียกว่า มันก็ก่อพบก่อชาติไปเรื่อยนะในมันมีชาดกอยู่เรื่องหนึ่งนะเป็นชาดกที่คล้ายๆเป็นการก่อเวรก่อกรรมกันมาหลายภพหลายชาติมากก็มันมีเรื่องราวของผู้หญิงสองคนที่ในคล้ายๆมีมีสามีคนเดียวกันพอนะมีสามีสามีหนึ่งคนแต่ภรรยาสองคนทีนี้ก็เกิดเกิดความคล้ายๆ ภรรยาทั้งสองคนก็ก็ไม่ชอบกันนะนักก็ไม่ชอบกันภรรยาแต่ละคนก็มีลูกก็มีลูกอ่าก็ทําก็แต่ละคนก็ทําร้ายลูกของกันและกันนะทํากันให้ตายนะก็เกิดความพยาบาทกันเกิดพบเกิดพบใหม่ก็ก็เรียกว่าจองเวรจองกรรมกันนะบางพบนะสมมุตินะสมมุติสมมติภรรยาคนแรกนะ บางพบก็เกิดไปเป็นยักษ์ภรรยาคนที่สองเป็นมนุษย์นางยักษ์กีนนี้ก็มามามากินมากินลูกของมนุษย์นี้ให้ตายไปแล้วพอพบต่อไปอก็เปลี่ยนกันบ้างภรรยาคนที่สองไปเกิดเป็นนางยักษ์ภรรยาคนแรกเกิดเป็นมนุษย์นางยักษ์ก็มากินมากินลูกของคนอีกบางทีเกิดเป็นสัตว์ นะเกิดเป็นสัตว์ก็มาพยาบาทกันเหมือนนะั่เรียกว่ากินมาทําลายรูปของกัน ร, ร่วมกันสลับพบสลับชาติไปนะเป็นแบบนี้นะไม่จบไม่สิ้นสักทีจนจนมีชาติหนึ่งนะเป็นมีชาติหนึ่งที่ก็คนคนหนึ่งก็เกิดเป็นนางยักษ์อีกคนหนึ่งก็เป็นเป็นมนุษยนะ์แต่นางยักษ์ตัวนี้ก็มีดิษนะก็ตั้งใจจะมากินมาทำร้ายแหละนะแต่ก่อนจะกินก่อนทำร้ายก็คล้ายๆ มาปลอมเป็นมนุษย์ก่อนนะปลอมเป็นมนุษย์ที่ทำทาตัวหรือว่าแปลงร่างให้หน้าตาเหมือนกับเหมือนกับแม่ของเด็กเลยนะก็กลายเป็นคนคล้ายๆกลายเป็นคนสองคนที่หน้าตาเหมือนกันนะเป็นแม่ของเด็กคนนี้นางยักษ์ที่แปลงกายนี่ก็มาอุ้มเด็กไปนะพอแม่เด็กตัวจริงมาเห็นก็ ก็จะมาแย่งคืนบอกว่าอันนี้คือลูกของเราแต่ก็แย่งกันไปแย่งกันมานะก็ไปถึงในตลาดก็ประชาชนก็เห็นก็ไม่รู้จะช่วยใครเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันหมดไอ้ที่เรารู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกก็คือหน้าตาของคนตนนัวนี้นะแต่มันมีสองคนเป็นไปได้ยังไงนะเรื่องราวก็เลยไม่จบก็เลยไปทูลพระราชาให้ช่วยตัดสินนะพระราชา คนนี้ก็เป็นคนที่เรียกว่ามี ม, มีมีปัญญาแล้วก็มีคุณธรรมที่หนักแน่นในใจนะในเมื่อแต่ละคนก็อ้างความเป็นแม่เน่ยของลูกคนนี้เหมือนกันท่านบอกว่าอะไรนะเออก็ไตสวนพยานต่างๆสอบเท็นต่างๆก็ไม่สามารถหาได้ว่าใครถูกใครผิดนะสุดท้ายท่านก็มีวิธีหนึ่งท่านบอกว่าอะ สมมติเอาลูกวางไว้ตรงกลางแล้วก็คนที่อ้างว่เป็นแม่ทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาลูกทาไงอเอาแบบนี้นะใครใครแย่งเด็กได้คนนั้นถือว่าชนะ อ, อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเท่าเทกันนะพอพอนับหนึ่งสองสามอ่ะแย่งได้ทำไงนางยักษ์ก็รี บ, ร, บรีบมาดึงเด็กเลย รีบมาดึงเด็กแม่เด็กก็จับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันพอดึงสัตยาหนึง่งเด็กร้องไห้คนเป็นแม่แต่จริงก็ปล่อยเด็กอนางยักษ์ก็กระชากเด็กไปอย่างแรงเลยอฉันชนะแล้วฉันชนะแล้วนี่ลูกของฉันเห็นไหมฉันดึงมาได้เด็กร้องไห้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเองชนะแล้วอ่าพอสุดท้ายว ร, ราไรชาก็ตัดสินว่าไง คนที่คนเป็นแม่ตัวจริงคือเป็นคนไห น, น, นใช่คนที่ปล่อยลูกคือคนที่เป็นแม่ตัวจริงนะก็เพราะว่าอะไรแม่จริงๆก็คือมีความรักกับลูกนะแต่แม่ที่แม่ปลอมๆก็คือคนที่แม่ลูกจะเจ็บก็ ก, ก็ทำลายได้แต่จริงเขาก็ไม่แม่จริงๆนะเขาเป็นนางยักษ์ที่แปลงกายมาสุดท้ายนางนางยักษ์ก็โดนจับได้นะพระราชาก็ถามเธอเป็นยักษ์ใช่ไหม ใช่เขาก็ยอมรับนะแล้วก็แปลงกายครับเป็นยักษ์เหมือนเดิมก็ก็สุดท้ายนางยักษ์ก็ไม่สามารถทำลายได้แต่ก็เพอเอินนเอเอิญว่าพอถึงตอนนั้นเรื่องราวก็ไม yes ่จบแค่นี้พระราชาที่ทรงทำนี้ท่านก็ก็เทศนาสอนนางยักษ์เหมือนกันก็ถามถามความ ทำไมเธอจึงทำอย่างนั้นเขานางยักษ์ก็เล่าถึงอดีตชาติที่ที่เคยคล้ายๆทําร้ายซึย่งกันและกันมาไม่รู้กี่พว ก, กี่ชาต์พระราชาก็ก็เทศแล้วก็ทําให้นางยักษ์ในกลับใจเลิกที่จะพยาบาทลูกของเขาล ะ, อะพอชาตินี้เลิกพยาบาทชาติต่อไปอีกคนหนึ่งก็เลิกที่จะไปทําร้ายลูกของนางยักษ์เช่นกันคือมันก็จบที่ที่ชาติสุดท้ายที่ตรงนี้นพอฝ่ายหนึ่ง กลับใจนะอีกฝ่ายก็ก็เปลี่ยนเปลี่ยนใจที่จะทํำร้ายกันด้วยกันเหมือนกันก็คือเลิกเลิกปยาบาทกันนี่นคือมันเป็นตัวอย่างหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าเวนย่อมระ ง, งับด้วยกันไม่จองเวนในนี้ยมันเกิดจากการพอเอามาว่าถ้าเราไม่ได้มองเรื่องราวนี้เป็นแค่เรื่องของนางยักษ์กับคนเรื่องเรื่องการแย่งลูกกันโดยในชาโดกนะันเนาะ แต่มาว่าที่จริงเรื่องราวในชีวิตของเราก็ก็จะมีเรื่องทานองแบบนี้นะแต่มาว่าแม้อาจจะไม่รุนแรงถึงขั้นทําร้ายกันจนตายแต่มาว่าที่จริงความความพยาบาทในจิตใจของเราเองเนาะบางทีมันก็จะก่อพบก่อดชาติลงไปเรื่อยนะมันไม่มันไม่จบพบชาติถ้าเราไม่เอาแบบผู้ไกลไกแบบเป็นเป็นชาติหน้าหรือว่าพบหน้านะที่จริงพบชาติที่ใกล้ก็คือความคิดของเราเนี่แหละ ความคิดที่มันไม่พอใจความคิดคิดแล้วโกรธคิดแล้วทุกข์อะไรนะคิดแล้วพยาบาทคิดแล้วช้ำอันนี้คือเราสร้างภพขึ้นมาในจิตใจล้ใช่ไหมพอเราสร้างภพขึ้นมาเราก็ทุกข์ทันทีนะในปฏิจจส ม, มุปบาทนะ่ะมันจะมีอวิชานะแล้วก็เกิดเรียกว่าวงจรเพื่อเรื่อยสุดท้ายก็กลายเป็นภพเป็นชาติเป็นโซกะปฏิเทวทุกข์ <c oughs> ก็กลายเป็นความทุกข์อันนี้คือ พอมันถึงขั้นพบชาแล้วก็ก็ละไม่ได้ละที่จะกลายเป็นความทุกข์ในใจนี่ที่จริงนะถ้าเราฝึกสตินะสติจะทําหน้าที่ให้เราเรียกว่าตัดวงจรของความทุกข์วงจรของความทุกข์ก็คือวงจรของปฏิจัตสมุ ป, ปบาทนี่แหละนะสติเออเรียกว่าวงจรของปฏิจัสมุ ป, ปบาทคืออะไรก็คือพอมีอวิชชานะอาวิชชาคือความไม่รู้นะความไม่รู้ เกิดเป็นอะไรเป็นสังขารนะคือการปรุงแต่งอมีสังขารก็ก่อเกิดเป็นวิญญาณคือการรับรู้ต่างๆนะวิญญาณก็แปลงเป็นอะไรเป็นผัสนสะปัสสะคือการกระทบสัมผัสนะเป็นไอเป็นสลาญานะก็คือการกระทบของอายตนะภายในและก็ภายนอกนะพอกระทบก็เกิดอะไรเกิดเวทนานะ เกิดเวทนาเกิดความสุขบ้างเกิดทุกบ้างเกิดเฉยบ้างเกิดเวทนาแล้วก็เกิดความอยากคือตันหาอเกิดตันหาแล้วก็เกิดอุปทานการยึดมั่นถือมั่นเกิดพบเกิดชาติเกิดชรามรณะตกกัลปิสเทวทุกมันเป็นวงจรนี้นะวงจรนี้หน้าที่ของปฏิเนี่ยมันจะเข้าไปตัดที่ตรงไหนพอมันจะเข้าไปตัดที่อุปทานการยึดมั่นถือมั่นเนี่ย พอมันเกิดเวทนาเกิดขึ้นนะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยพอมีอุปทานเข้าไปส ต, ติจะทําหน้าที่ในการตัดที่อุปทานการยึดมั่นถือมั่นคือเช่นความคิดโกรธขึ้นมาเนาะโกรธขึ้นมาก็ปรุงเป็นความไม่ชอบใจขึ้นมาพอเรารู้ทันเราจะวางความไม่ชอบใจนั้นออกไปจากจิตใจเราได้นะหรือมีความถูกใจความชอบใจเกิดขึ้นมาพอมีสติรู้ทันมันก็จะวาง การยึดมั่นถือมั่นในอุปทานตรงนั้นได้นะอันนี้คือปติจะทำหน้าที่เข้าไปตัดที่ตรงนั้นหรือถ้ามีปัญญามากกว่า น, นั้นมันก็แปลงตั้งแต่อวิชชากลายเป็นวิชาไม่ปรุงเป็นทุกข์แล้วก็มีหรือว่าถ้ามีสตินะมากมากนะมีสติเป็นวินันมีสติเป็นหน้ารอบแค่สัมผัสนะอายตะหน้าภายในภายนอกกัมปทบกันมันก็เห็นก็ตัดแต่ว่าเห็ น, น ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้กินก็สักแต่ว่าได้กินริมรสก็สักแต่ว่าริมรสนะจิตคิดนึกปรุงแต่งก็สักแต่ว่านะไม่มีตัวเราเข้าไปไม่ไม่มีตัวเราเข้าไปถือครองนะในวัตถุต่างๆเหล่านั้นอันนี้คือสติมันจะทําหน้าทีนะ่ทําให้เรารู้ทันรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั่นแหละแล้ววงจรของความทุกข์ที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดที่เราต้องเวียนทุกอยู่เสมอเนะี่ยมันจะดอกมันจะเรียกว่ามันจะตัดไป มันจะตัดไปที่ตรงเนี้นะมันเป็นสิ่งแม้จะรวดเร็วนะนะบางทีแค่เห็นปุ๊บเนี่ยบางทีมันทุกข์เลยเนาะมันโกรธปุ๊บมันทุกข์ปั๊บทันทีมันเร็วมากนะมันเร็วมากบางคนเป็นคนที่เรียกว่าเหมือนเป็นโทสะจติดนะเนะหุดหงิดง่ายนะบางคนเป็นคนโมหะจริญนะหลงบ่อยนะใจลอยบ่อยนะหรือว่าหลงในรูปรสกลิ่นเสียงบ่อยนะ บางคนเป็นราคะาจดิตนะรักสวยรักงามรักสุขรักสบายนะนะบางคนเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าทิฐินะเป็นเจ้าทิฐนะิมีมานะความเห็นนะมีอัตตาสูงก็จะยึดมั่นถือมั่นในความคามิดความเห็นตัวเองก็ก็จะมีความทุกข์ที่อาจจะแตกต่างกันโดยเหตุโดย ป, ปัจจัยแต่จริงสิ่ง ต, งต่างเนี้ยมันนำมาซึ่งความทุกข์เสมอกันนะถ้าเราฝึกสตินะเราจะรู้ทันนะคือ ที่จริงการฝึกสตินะไม่ใช่เป็นการแค่แค่เปลี่ยนหรือว่าไม่จุดมุ่งหมายไม่ใช่เปลี่ยนนิสัยนะไม่ใช่เพื่อจะเปลี่ยนเจดิตนิสัยของเรานะบางครั้งเจดิตนิสัยมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกบางบุคคลเป็นคนโทสะเจดิตหรือว่าโมหะเจดิตทิฏฐิเจดิตหรือว่าศัทธาเจดิตอะไรก็แล้วแต่นะเจดิตนิสัยนี่ยแม้เป็นพระอรหันต์แล้วบางทีก็ไม่เปลี่ยนนะไม่ได้เปลี่ยนนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเปลี่ยนความทุกข์ จากแต่ก่อนเคยทุกข์ง่ายเรื่องนี้ต่อไปก็ไม่ทุกข์เรื่องนี้แล้วมันไม่ใช่เปลี่ยนนิสัยนะเราจะไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมแล้วมันจะทําให้นิสัยหรือสิ่งที่เรียกว่าอุป น, นิสัยมันเปลี่ยนแปลงไปที่จริงมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่ตัวที่เปลี่ยนที่แท้จริงคือคือใจที่ไปยึดว่าว่าอันนี้เป็นเราเป็นของเรามันก็เลยยึดมันก็เลยเกิดการวางความทุกข์นะ มีพระอาหัรหลายรูปนะสมัยพุทธ ก, กาลหรือว่าสมัยปัจจุบันเองก็ดีนะอย่างพระสารีบุตรเนี่ยท่านเจอคลองน้ําไม่ได้ถ้ามาเจอที่อาสมเนี่ย <c oughs> ท่านเจอคลองน้ํำนะท่านกระโดดข้ามทันทีเพราะว่าอดีตชาติท่านเคยเป็นกวางมาหลายชาตินะ <c oughs> อย่างพระอานนท์เองก็เหมือนกันท่านท่านจะมีจดิตอตุ้งติ้ ง, ต, งตึ้งติงตงเหมือนผู้หญิงหน่อยนะเพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นผู้หญิงมาหลายครบลายชาติ <c oughs> นะนะก็ก็จะมีจดิตแบบนี้นะ มีคนที่ละเจดิตได้เด็ดขาดที่แท้จริงก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่พระอรหันต์นะแทบทุกรูปนะไม่สามารถละเจดิตนิสัยได้นะแต่เจดิตนิสัยพวกนั้นมันไม่นำมาสึ้งความทุกข์ของท่านแล้วนะบางคนนี่เป็นพระอรหันต์แต่ยังพูดคำหยาบยังดูกิริยาภายนอกไม่สุภาพเรียบร้อยคนก็คิดว่าเป็นพระหลวงตาเป็นพระไม่รู้ ธรรมะธรรมดาธรรมดาเยอะแยะมากมายนะหรือแม้แต่ธรไมที่ใกล้ใกล้ตัวเราเข้ามาข้างใ น, นคือท่านเพิ่งมอเรนภาพไปไม่นานนะก็มีหลายรูปนะนะนะยังมีมีเรื่องเล่าของหลวงปู่รูปหนึ่งนะท่านชื่หลวงปูเ่เจี๊ยนะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหนะลวงปู่มั่นท่านก็คล้ายๆอันนี้ท่านก็รับรองว่าหลวงปู่เจี๊ยะเนี่ยเหมือนกับ ผ้าคี้วหอทองอรูปร่างภายนอกเดี๋ยวกินยาภายนอกท่านท่านดูดูไม่สวยไม่งามแต่แต่จิตใจท่านน่ะเหมือนทองคําบริสุทธ์ดีนะอันนี้หลวงปู่มั่นรับรองนะมันก็ไม่ไม่ทันท่านนะมันมีเรื่องราวของท่านเนี่ยแต่ก่อนหลวงปู่เจี้ยนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแต่ตอนสุดท้ายท่านก็มามรณภาพอยู่อยู่แถบรอบๆปริมมณฑลแหละนะอยู่วัดป่าหลวงปู่มั่น แต่ก่อนถ้าอยู่ตา่างจังหวัเนี่ยท่านก็มีนิสัย น, นะเวลาจะเข้ากรุงเทพหรือเข้าเมืองเนี่ยท่านก็จะไม่นั่งรถปกติธรรมดานะท่านจะท่านจะชอบโบอกรถจะโบกก็เข้าเมืองนะที่ดูนะเป็นพระและ้วไปโบกรถอีกนะบางบางคนก็เห็นก็ไม่ก็ตําหนิได้นะแต่ท่านโบกรถท่านไหนนี่ไม่เคยพลาดเลยไม่ใช่ว่าท่านมีอิทธิฤทธิธ์ปฏิหาร น, นะแต่ ท่านใจกล้ากว่าโชเฟอร์แค่นั้นแนหะ <c oughs> แล้วคือแต่คือไอที่ท่านโบกนะั้นไม่ใช่โบกรถติ๊กอัพบบกก็เกง่งจะนั่งสบายนะท่านรถที่ท่านโบกก็คือรถบรรทุกรถสิบล้อเท่านั้นพ <c oughs> ี่โบกก็ไม่ให้โบกข้างทางนะถ้าไปยืนกลางถนนแล้วก็ความสังโ <c oughs> <c oughs> บกแบบนั้นนะั่นแหละจะมีรถไหนไม่จอดบ้าง <c oughs> <c oughs> นั่นคือจะเด็ดท่านเป็นแบบนั้นนะท่านไปโบกแบบนั้นแหละนะรถตุกคันก็จอด ท่นก็แต่มาข อ, ขอเดินทางมาได้ค <c oughs> ือเจดิตยิ้มันท่านเป็นแบบนั้นนะแก้ <c oughs> แก้ไม่ได้ะ <c oughs> แก้ไม่ได้แต่ถามว่าท่านท่านก็ไม่ได้คิดพยาบาทหรือว่าไม่ได้อไม่ได้มีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในในตัวตนแล้วก็ผู้อื่นละแต่ท่านก็ทําไปตามจดิตหดือบางทีท่านอาจจะคิดเป็นการโปรดสัตว์ก็ได้นะ <c oughs> เป็นการโปรดโยมเออรถโกดสิบร้อนี่ มันอาจจะาเรียกว่าคล้ายๆไม่ค่อยมีโอกาสได้ทําบุญก็ให้ทําบุญกับก <c oughs> ับท่านบา <c oughs> ้างอพาท่านขึ้นคล้ายๆ ข, ขึ้นขึ้นดถมาบ้างเผื่อเขาจะได้มีบุญหรือบางทียังมีอีกรูปหนึ่งหลวงปู่ทองรัตนะน์นะหลวงปู่ทองรัตน์นั่นเป็นเป็นอาจารย์ของของหลวงพ่อชาหลวงปู่ชาที่ก็เป็นพระที่ที่ทมีฤทธิ์ศิลฤกษหาเยอะนะ หวงทองรัตท่านก็เป็นนุสิตงปู่มั่นเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายมหามหานิกายก็บางทีนะท่านมีเรื่องเล่าหลายอย่างที่ที่ดูน่าสนใจแต่มันก็มีเรื่องหนึ่งคือปกติพระไทยเนาะเวลาบิณฑบาตอะ่ะก็จะเดินไปเรื่อยนะตามหมู่บ้านเดินใครมารอใส่ก็ค่อยหยุดให้เขาใส่แต่หลงปู่หลวงปู่ทองรัตเนี่ยบางคนท่านไม่เห็นใส่บาตรมานานนะ หมืายถึงว่าเขาไม่เคยใส่บาทเลยท่านก็ไปแต่เช้านะไปอะไรไปปลูกเขาให้ตื่นตื่นแน่แล้วได้เวลาตื่นแล้วนะตื่นมาทําอะไรกรอ่อกองไฟหุงข้าวเดี๋ยวตอนเช้ากูจะมารับบาท <c oughs> <c oughs> คือไม่เห็นใส่บาทสักทีคือเวลาอยู่ในหมู่บ้านนะก็คงเดินมีตบบาทเป็นประจําก็เห็นบ้านนี้ไม่เคยใส่บาทเลยก็ก็ทํำนะี่ไปปลูกเขาไปบังคับเขาให้ก่อกองไฟหุงข้าว แล้ก็หารับบาตรนะอืมบางคนก็ยอมลงถูกก็ก็ใส่แต่บางคนก็ไม่ชอบท่านก็ก็ว่าท่านไม่เรียบร้อยไม่สมรวมก็มีแต่จริงโดยใจท่านแล้วไม่คงไม่ได้ปรารถนาก้อนข้าวนั้นหลักนะแต่คือว่าถ้าคงอยากปรารถนาให้ให้เขาได้ทําบุญบ้างอได้ทําบุญบ้างนะแม้แรกๆอาจจะดูเหมือนบังคับหรือว่าทําให้เขาแบบขัดใจบ้างแต่ถ้าใครยอมลด ที่มานับพวกนี้ได้ก็อนั้นก็ได้บุญบ้างอันนี้คือแต่เราจะเห็นว่า ท, ที่ต้องการพวกนั้นคือบางทีจะดิ้นนิสัยของของผู้ปฏิบัติธรรมนะไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมบางทีเราไม่สามารถดูได้ที่ภายนอกหรอกนะแต่มันก็พอ อ, อนุมานได้ถ้าเราเห็นหรือรู้จักท่านานานๆ น, <c oughs> นะถ้าเรารู้จักใครานานๆเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้ท่านท่านก็ทําไปเป็นเพียงแค่กิจยา แต่โดยจิตใจแล้วท่านก็ไม่ได้หวังต ก, การะหวังอะไรพวกนั้นลนะนะท่านก็ทําไปแต่บางทีถ้าเราเห็นแค่ชั่วครัง้งชั่วคราวอาจจะเกิดความเข้ า, ขาใจผิดได้อ น, นั้นพวกเราก็ไม่ต้องกังวลใจนะถ้าบางทีบางทีจะดิ้นนิสัยบางอย่างของเรามันยังไม่เปลี่ยนแต่ให้เราสังเกตดูว่าความทุกข์ในใจของเราเปลี่ยนไหมถ้าตรงนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นการวัดผลการปฏิบัติต่อได้ บางคนก็ยังรู้สึกว่าเป็นคนขี้โกรธเหมือนเดิมมาแหละแต่เพียงแต่ว่าเรามีสติรู้ทันความโกรธของเราได้เร็วหรือว่าเรามีสติที่จะยั้งปากของเราได้ได้ได้เร็วเนี่ยก็คือมันอาจจะยังมีความโทสะโกรธเกิดขึ้นมาอยู่ บ, ยบ่อยบางคนก็ยังรักสวยรักงามเหมือนเดิมมาแหละยังประดับตกแต่งยังชอบความสะดวกสบายแต่แต่ครนี้การที่จะไปยึดติดเช่นเดิมมันก็จะน้อยลงออแต่ก่อนต้อง ต้องสวยแบบนี้ต่อไปก็เออเออสวยน้อยกว่ น, นี้ลงกออ็พอได้มันนะมันจะไม่ใช่ไม่ยอมท่าเดียวแต่มันจะรู้จักยอมรู้จักเกียนออกมาบ้างอันเนี้ยเราจะมีจดินนิสัยของเราอยู่แต่เพียงว่านะเราก็รู้ทันมันได้เร็วขึ้นที่จริงมันมีทางทางรัฐที่จะทําให้เราปฏิบัติธรรมได้ได้ง่ายขึ้นอย่างหนึ่งก็คือเราลองมาดูที่จดินนิสัยของเราเองเลยนะ บางคนนิคี้โกรเนี่ยดูความโกรธของเราเป็นหลักเลยนะบางคนมีจดิตชอบสวยชอบงามชอบสบายไอ้ดูตรงนั้นเป็นหลักเลยนะดูลงไปที่อ้าเห็นนี้ก็ชอบละเห็นนี้ก็พอใจเห็นนี้ก็อยากลนะเนี้ยดูลงไปเช่นั้นหรือบางคนเป็นคนอ่าคล้ายๆใจลอยบ่อยนะเป็นโมหะจดิตนะฟุ้งซ่านบ่อยนะหลงบ่อยแล้วก็รู้ทัน จิตใจที่มันหลงใจิตใจที่มันฟุ้งร้างบ่อยๆนะเรียกว่าคล้ายๆเหมือนหนามยอกอหนามบมเลยนะ <c oughs> ที่โกรธแล้วอดีดูความโกรธไปเลยนะดูเห็นมันโกรธบ่อยๆเห็นความขัดใจบ่อยๆมันจะมีสติมากขึ้นนะเดี๋ยวสักพักก็โกรธเดี๋ยวสักพักก็หงุดหงิดเนี่ยมันเราจะมีสติรู้ทันมันตอนที่มันโกรธที่มันหงุดหงิดเดี๋ยวสักพั ก, เ ก, เ, พกเกิดความชอบขึ้นมาแล้วก็รู้ทันเออจิตมันชอบจิตมันชอบจิตมันชอบ เนี่ยเรารู้ทันเนะี่ยจะเป็นวิธีการปฏิบัติที่ที่เรียกว่ารักสั้นอย่างหนึ่งก็ได้คือเรามารู้ตรงที่จะดิตนิสัยของเราเนี่แล้วก็รู้ทันมันแล้วพอเรารู้ทันมันจะค่อยๆเปลี่ยนเองบางคนเป็นคนเฉยเป็นคนเฉยมากไหมเอา้าเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็ชี้เกียร์เดี๋ยวก็กวกไม่อยากทําแล้วพอเราเห็นมันบ่อยนะมันก็จะทําให้เราตื่นออกมาจากความเฉยความเบืออ่อตรงนั้นได้พอเราดูมันตรงเนี้ยมันมันจะโดนคล้ายๆ มันก็จะไม่สามารถครอบงำจิตใจได้นะแต่มันยังเป็นสิ่งที่เห็นบ่อยนะที่จริงจดิตที่เราเห็นบ่อยเนี่ยเราเอามาเป็นกรรมฐานในการฝึกเลยนะอย่าไปปฏิเสธมันหรือพยายามอย่าไปบังคับแก้ไขมันแบบคล้ายๆเราไม่สามารถแบบจะกลับตะตัดได้เลยนะบางคนเป็นค น, คนโทสะจดิตเนี่ยจะให้เป็นคนเมตตามันทําไม่ได้นะทั้งชาติก็อาจจะทําไม่ได้ทั้งไปนะแต่ นะแต่พอเราฝึกรู้ทันความโกรธได้บ่อยขึ้นเมตตามันจะเกิดขึ้นเองนะหรือว่าความพยาบาทมันจะดับไปของมันเองนะแต่ที่ให้ฝึกเบื้องต้นเนาะอันนั้นเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นคล้ายเช่นบางคนโกรธหรือว่าไม่พอใจใครการแผ่เมตตาให้กับเขาก็เหมือนคล้ายเป็นเป็นยาชะ ง, งักชะ ง, งักความโกรธชะงักความทุกข์บางครั้งบางคราวนะหรือว่าชั่วคราวไปก่อน แต่ตัวที่จะตัดได้เด็ดขาดที่จะตัดความทุกข์ได้เด็ดขาดก็คือตัวที่มีสติรู้ทันความคิดปรุงแต่งในจิตใจของเราเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวที่ตัดได้เด็ดขาดนะแต่เราก็ไม่แต่เราก็จะบอกว่าเราจะเอาแต่ตัวนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้บางทีก็ต้องทํำห ล, หลายอย่างคู่กันไปนะแม้สิ่งที่ทําในเบื้องต้นอาจจะเป็นเหมือนแค่แคการต้องฝืนใจหรือว่าเป็นการย้อมเส่แจ้งไปบ้างแต่พอทําไปบ่อยนะ มันจะทําให้กําลังมันอ่อนลงเพราะกำลังมันอ่อนลงเราจะรู้เท่าทังมันได้เร็วขึ้นนะแล้วเราจะมีความสุขง่ายขึ้นคือจิตพอมันโกรธบ่อยๆนะมันมีความทุกข์ความมีความทุกข์อ่ะมันก็มันก็คล้ายๆมันเหมือนก็ไม่ค่อยมีกําลังเมื่อไม่มีกําลังมันจะให้ไปเจริญสติมันก็ทำได้ยากเนไหมสังเกตไหมตอนที่เราโกรธใครมากๆอ่ะมันแม้แต่ฟังคําตักเตือนก็ยังไม่อยากฟังเลยใช่ไหมจะนับภาษาอะไรกับการเจริญสติเนไหม นันเราก็คล้ายๆออดับไฟให้มันอ่อนลงไปบ้างนิดหน่อยก็ยังดีแล้วก็เราจะได้มีมีเวลาหรือว่ามีกำลังมาเจนสติได้นะช่วยๆกันหลายๆทางเนาะอันนี้เป็นเป็นแบบฝึกหัดอย่างหนึ่งนะสำหรับอย่างเรื่องความโกรธก็ดีนะให้เราได้พิจารณาในทํานองนี้แต่ที่จริงในในทางในทางพุทธศาสนานะยังมี รื่งที่ต้องพิจารณาอีกหลายอย่างบางทีเป็นการพิจารณ้อมนำไปก่อนเช่นบางทีเราจะมีบทสวดมนต์นะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีความพักภากสูญเสียเป็นธรรมดาถ้าเราพิจารณาในธํานองนี้บ้างก็ได้เราตอนนี้เราก็แก่ขนาดนี้เนาะ ต่อไปเราก็จะแก่กว่านี้เนาะเราเคยคิดมันจริงๆไหมเรามีความเจ็บนะมีโรคภัยแค่เจ็บเป็นธรรมดาต่อไปเราก็จะต้องเจ็บหนักกว่านี้น ะ, นะถ้าเราเจ็บหนักกว่านี้จิตใจเราจะทุกข์ไหมเรามีความตายเป็นธรรมดาต้องวันใดวันหนึ่งแน่เราต้องตายแต่ไม่รู้วันไหนเราจะทนะสภาวะที่ตายได้ไหมเราจะทุกข์กับมันไหมเราก็พิจารณาํานองเนีย เรามีการพัดพ่าดสูญเสียเป็นธรรมดาเราก็พิจารณาบ้างนะในแต่ละวันเพื่ออะไรให้เราได้ทําใจให้เราได้เตรียมใจพอเกิดขึ้นจริงเราก็เรียกว่ายอมรับความจริงได้การพิจารณาพวกนี้เป็นคล้ายๆเป็นการเป็นถ้าเหมือนกับเวลาเราเราต้องการน้ํำนะจากเชิญประธานเราก็ต้องทําคลองก่อนนะทําคลองส่งน้ําก่อนแล้วค่อยปล่อยน้ําเข้ามาไอ้คลองที่จะ ในเรียกว่าในจิตใจของเราก็เหมือนกันในการพิจารณาเนี่ยมันจะเป็นตัวตัวนําไปก่อนเมื่อเราทําคลองทําร่องตรงนี้ไว้พอปล่อยน้ํามามันก็จะปล่อยไปตามคลองนั่นแหละนะใช่ไหมจิตใจของเราก็เหมือนกันจิตใจที่เราเคยพิจารณาความแก่เมื่อความแก่มาเยือนแบบชัดชัดเราก็จะเราก็จะทําใจยอมรับได้ใช่ไหมเราเคยพิจารณาเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อวันที่เราเป็นมะเร็ง วันที่เราปวดหัวมากๆเนะเราก็จะทาใจยอมรับมันได้เมื่อความตายมาเยือนอ๋ออันนี้แหละคือสิ่งที่เราพิจารณาอยู่เสมอคือเรามีความตายเป็นธรรมดาเราก็จะเรียกว่าทาใจยอมรับมันได้บางทีครูบาอาจารย์ท่านขนาดถึงบอกว่าที่เรามาที่เราปฏิบัติทางชีวิตเนี่ยเนี่ยวันที่ตัดสินคือวันที่เราจะตายเนี่แหละนะนเะพราะว่าอะไร อันที่มันเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติไปไปชาติอื่นจิตสุดท้ายที่จะส่งเราตายมันส่งไปพบไหนอันนี้แหละก็คือมันจะส่งออกไปถ้าทำกรรมหนักกรรมหนักก็จะส่งไปนะหรือถ้าไม่ให้ทำกรรมหนักก็อาจจะเป็นกรรมที่เรียกว่าทาเป็นประจานะทำเป็นประจำเคยทำไม่ดีเคยคิดไม่ดีนะพบ ความคิดสุดท้ายมันก็จะคิดไม่ดีก็จะทําก็จะโน้มไปทางไม่ดีนะหรือบางคราวอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นปัจจุบันนักกรรมนะก็คือความคิดแวบในช่วงสุดท้ายของจิตนั้นก็จะนําพาไปนะําพาไปพบไหนก็ไม่รู้แหละนะมีมีเรื่องหนึ่งนะมีมีพระรูปหนึ่งที่ท่านก็ตั้งใจปฏิบัติ ด, ดีพอสมควรนะแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรนะ แต่ก็เป็นความเป็นผ้าที่ดีอยู่รูปหนึ่งแต่ก็ยังติดในสิ่งที่สวยงามติดสิ่งที่ดีอยูมีมีคราวหนึ่งก็มีมีคนถวายผ้าผ้าไตาจีวร อ, อย่างดีนะท่านก็ยินดีพอใจในไตจีวร น, นั้นแหะแต่ยังไม่ทันที่จะได้นุ่มผมคลองนะก็เสียชีวิตกระทันหันพอดีเมื่อเสียชีวิตเจิต ก, ก็ยังอะไรในในผ้าผืนนั้นะ ท่านก็่จิตที่อะไรในผ้าก็เลยทําให้ท่านเกิดกลายเป็นเป็นตัวเรนก็คงเป็นเป็นมแมลงเล็กๆนะคอยเกาะอยู่ตรงผ้าตัวนั้นแหละพอพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าผ้ารูปนี้พอตายไปท่านเกิดเป็นมเกิดเป็ น, มปนมแมลงเกาะหรือว่าห่วงผ้าผืนนี้เ่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวผ้าผืนนี้นะหมู่สง่งอย่าเพิ่งยกให้ผ้าพิสูจน์รูปใดเอาทิ้งไว้ตางนี้ก่อนเจ็ดวันนะ ก็คือท่านรอให้ครบอายุไขของมแมลงตัวนี้เจ็ดวันนะเขาก็ตายไปนะก็ไปเกิดไปเป็นเทวดาเนื่องจากกรรมสะสมทํากรรมดีมาเยอะแยะแต่เพินว่ากรรมปัจจุบันมีความหวงมีความหวงผ้าอ น, นี้ก็เลยกลายเป็นมแมลงมาคอยรักษาผาตนั้นนะอันนี้บางทีกรรมมันเกิดบางทีมันจะพาเราไปที่ไหนมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับกรรมหนักบ้าง กรที่ทําเป็นประจําบ้างหรือกรรมในปัจจุบันนั้นบ้างจะพาเราไปกบพุมไหนอันนี้ถ้าเราพิจารณาดีบางทีจิตสุดท้ายเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเหมือนอาจารย์พุทธทาสว่าก็ได้นะท่านบอกว่าบางทีจิตสุดท้ายเราเหมือนเราปฏิบัติไปเรื่อยๆแหละบางทียังไม่ไม่เกิดความเข้าใจไม่เกิดความรู้อะไรแต่จิตสุดท้ายมันอาจจะปล่อยวางก็ได้นะอาจารย์พุทธทาสท่านใช้ก็ว่าเหมือนตกกระไดพลอยกระโจน ไหนไหนมันจะตายแล้วไหนมันจะตกแลก็ตั้งหลักดีๆก็โจนลงไปมันอาจจะไม่ลม้มวันใดอาจจะไม่ทับอาจจะยืนได้ก็ได้นะบางทีเผลอๆนะนะเราปฏิบัติอาจจะย้ำดูล้มลุกคุกคานนะยังสุขๆทุบๆอยู่แต่พอถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตเราค่อยๆพิจารณาความเจ็บเป็นธรรมดาความแก่เป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดา จิตใจเกิดการปล่อยวางสังขารคือร่างกายจิตใจไม่ยึดถือในสังขารร่างกายจิตใจนะก็สิ้นทุกตรงนั้นก็ได้นะแต่ถ้าเราไม่รอให้ประมาทถึงตอนนั้นนะมันมันก็ไม่แน่นะบางทีความเจ็บก็ไม่แน่เราจะทำใจยอมรับได้ไหมความตายก็ไม่แน่ว่าจะมาเมื่อไหร่เราก็ต้องฝึกเตรียมตัวเียมใจไว้ก่อนมันจะทาให้ไม่ไม่ต้องคล้าย เหมือนคนที่แบบไม่ใช่ไปไ ป, ไปไปไปปั่นงานในนาทีสุดท้ายแบบนี้นะบ <c oughs> ินพ่อขางมูไว้ก็แล้วก็รอเดดไลน์แล้วค่อยไปทํา <c oughs> <c oughs> จะไปรอทําตอนจะใกล้จะตายก็อาจจะยากนะสำหรับคนที่ไม่ฝึกหัดอันนี้ก็ก็ให้เราได้พิจารณาเรื่องราวพวกนี้นะควบคู่กับการฝึกเจตสติด้วยมันก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าหนุนส่งกันได้กันนะกาพะกัน